จเจริญพรท่า น, นสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่รกรกฎาคมพุทธศักราช2553เป็นวันพระวันธรรมสวรรควันฝังธรรมเป็นวันสำหรับการทำความดี เป็นวันที่สำหรับการละ บ, บาปและเป็นวันสำหรับการชำระใจให้สะาบริสุทธิ์ด้วยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และด้วยความภาคเพลียนวิริยะอุตสาหเพราะการปฏิบัติจะก้าวหน้าได้จะบรรลุถึง เป้าหมายได้ก็ต้องมีความอุตสาหะความภาคเพียรดังที่สุภาษิตที่ได้มีแสดงไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยความเพียรหรือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น <c oughs> นี่คือ ปัจจัยที่สำคัญสำหรับการบรรลุผลของการปฏิบัติตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องมีวิริยะบารมีมีความภาคเพียรถ้ามีความเกียดคร้านก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ไม่สามารถหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายได้ต้องอยู่ที่ความภาคเพียรนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างญาติโยมันนี้ก็มีความภาคเพียรที่จะตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวเตรียมข้าวของต่างๆเพื่อจะมาวัดเพื่อที่จะมาทำความดีมาลกบาป มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ <c oughs> ถ้ามีความขี้เกียจตอนนี้ก็ยังคงนอนอยู่เพราะเป็นวันหยุดไม่ต้องไปทำงานทำการถ้าไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ถ้าไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของกรรมก็จะไม่มีความขวนขวายที่จะมาวัดวันนี้ขอนอนให้สายๆนอนให้สบายอยู่แบบนี้ถึงแม้จะมีความสุข แต่เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะต้องไปประชิญกับความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามมาต่อไปนั่นก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากการพักผ้าจากสิ่งที่รักความทุกข์ที่เกิดจากความตาย นี่คือความทุกข์ที่รอสัตว์โลกทุกๆตนอยู่พลฉลาจึงไม่ประมาชนอนใจไม่ติดอยู่กับความสุขที่เกิดจากการได้หลับนอนได้รับประทานได้เสกรูปเสียงกิ่นรสเพราะเป็นความสุขที่ไม่มี พลังที่จะต้านความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายของการพัดพราคจากกันได้มีการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถต้านความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายจากการพัดพรากจากของรัก ของชอบได้คือการปฏิบัติทำความดีละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุดด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศฟังธรรมและด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญานี่คือวิธีที่จะ สร้างพลังต้านความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปเมื่ออายุของเรามากขึ้นไปตามลำดับเราก็จะต้องเผชิญกับการพัดพรากจากบุคคลต่างๆเช่นปู่ย่าตายายเบดามานดาคูบาอาจารย์พี่ป้าน้าอา และต่อมาก็ญาตสนิทมิตรสายหรือลูกหลานเป็นคติธรรมดาของโลกที่เกิดมาแล้วย่อมมีการพัฒราจากกันเป็นธรรมดาย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาผู้ที่สามารถรับ เหตุการณ์เหล่านี้ได้ก็จะไม่มีความทุกข์แต่ผู้ที่ไม่สามารถรับได้ก็จะต้องทุกข์ทรมานใจสาเหตุที่รับไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสตัณหาที่คอยต่อต้านความจริงนี้เองอยู่ภายในใจต่อต้านความ แ่ต่อต้านความเจ็บไข้ได้ป่วยต่อต้านความตายต่อต้านการทัดพลาดจากกันเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาใจก็มีความหวั่นไหวมีความทุกข ม, มีความเศร้าสศกเสียใจนี่เป็นอนานาจเป็นผลของกิเลสตัณหาความอยากเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อย่าไม่พลาดพลาดจากกันเป็นสิ่งที่เราสามารถชำระกมจัดให้หมดไปจากใจได้เป็นเหมือนกับเชื้อโรคของร่างกายที่เราสามารถกาจัดได้ด้วยยารักษาโรคชนิดต่างๆเวลาที่เรามีโรคภัยไข้เจ็บหมอก็จะให้ยาเรามารับประท พอรับประทานไปแล้วไม่นานโรคก็จะหายจากร่างกายไปโรคคือความทุกข์ทรมานใจก็สามารถรักษาให้หายได้ด้วยธรรมโอสถคือยาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราปฏิบัติกันนี่แหละเป็นยารักษาโรคของใจ คือความทุกข์ทรมานใจความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากการพัดพลาคจากกันที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายยาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็คือให้ทำความดีให้รักษาศีลคือให้ละบาปแล้วก็ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการนั่งสมาธิ ด้วยการเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำเอามาไข้ครวนพิจารณาอยู่เนืองๆ อ, อยู่เรื่อยๆจนในที่สุดก็จะสามารถดับความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดภาคจากกันได้เพราะอำนาจของปัญญาหรือธรรมโอสถนี้ มีอำนาจเหนือความอยากต่างๆที่ปกครอหุมห้มหอ่อจิตใจของเราอยู่ในตอนนี้ถ้าเรานำเมามาไข้ควญอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะสามารถดับความทุกข์ภายในใจได้เช่น ส, สอนให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆว่า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 ร่วงพ้นการพัดพราดจากกันไม่ได้ถ้าเราเอามาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเราก็จะเตรียมใจและไว้รับกับเหตุการณ์เพราะใจของเรานี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายจึงไม่มีเหตุผลันใดที่จะต้องมาทุ่งมาเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บของร่างกายนี่คือปัญญา ถ้าเราสอนใจอยเนระื่อยๆแล้วใจของเราจะรู้ทันกิเล่รู้ทันตัญหาพอเกิดความรู้สึกไม่อยากจะแก่ปัญญาก็จะมาดับทันทีว่าไม่อยากได้อย่างไรเกิดมาแนละ้วมันต้องแก่แก่ก็แก่ไปสิไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไรใจเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเราไม่ต้องวุ่นวายได้ เพียงแต่รับความจริงเท่านั้นเองเฉยๆแก่ก็แก่ไปร่างกายแก่เราก็ยังอยู่ได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังมีความสุขได้ถ้าใจเรานิ่งใจเราสงบใจเราไม่ต่อต้านวามเจ็บไข้ได้ป่วยมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันก็จะเจ็บอยู่ที่ตรงร่างกายเท่านั้นมันจะไม่เจ็บมาถึงที่ใจแต่ถ้าเรา กลัวความเจ็บหรือไม่อยากให้เกิดความเจ็บขึ้นมาเพียงแต่หมาพูดว่าจะฉีดยาให้เท่านั้นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเพราะความกลัวแต่ถ้าเราไม่กลัวความเจ็บเจ็บก็เจ็บไปเราก็จะไม่เดือดร้อนใจก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนคนที่ไม่กลัวความเผ็ดคนที่กินเผ็ดได้เขาจะไม่เดือดร้อนกับการกินของเผ็ด แต่คนที่กินของเผ็ดไม่ได้นี้เขาจะเดือดร้อนเพราะกลัวความเผ็ดอยู่ที่ใจต่างหากความทุกนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความเจ็บของร่างกายนี้ไม่ใช่ความทุกข์ของใจความทุกข์ของใจนี่เกิดจากความกลัวความเจ็บของร่างกายหรือความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปหรือไม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้า ใจไม่มีความอยากไม่มีความกลัวความเจ็บต่อให้ร่างกายเจ็บขนาดไหนก็จะไม่ทำให้เกิดความทุกใจขึ้นมานี่คือความทุกข์ที่เราสามารถดับได้ด้วยการเตือนสติสอนใจอยู่เรื่อยๆเสริความจริงของร่างกายความจริงของความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความจริงของความตาย ความจริงของการพัดพากจากกันว่าเป็นเรื่องธรรมดาพอใจเรามีปัญญาคอยคุมความอยากความกลัวแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นใจของเราจะยิ้มได้ใจของเราจะไม่หวั่นไหวจะไม่เดือดร้อนเพราะมีคนท ร, ร ม, มาได้แล้วเช่นพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลาย ท่านสอนใจของท่านให้เกิดความกล้าหาญไม่หวาดกลัวกับความเจ็บความตายความแก่ความพลาดพลาดจากกันใจของท่านจึงอยู่เหนือความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายได้ใจของพวกเราก็จะสามารถอยู่เหนือความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าเรา พยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสอนให้ทำความดีเราก็พยายามทำความดีกันความดีอันไหนที่เรายังไม่ได้ทำก็ขอให้เราทำกันเช่นถ้าเราไม่เคยนั่งสมาธิเราก็มานั่งกันถ้าเราไม่พิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย เราก็ควรมาพิจารณากันมาคิดอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆถ้าเราเคยทำอยู่แล้วก็ขอให้ทำให้มากขึ้นไปถ้าเราแล้วก็พยายามป้องกันคือรักษาไม่ให้มันเสื่อมหรือถดถอยไป<ๆ>เคยทำได้มากน้อยเพียงไร<ๆ>ก็ขอให้รักษาเอาไว้ให้ทำต่อไปเรื่อยๆ ทำเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ส่วนบาปกรรมท่านก็สอนให้เรา้ดละเลิกการกระทำที่ไม่ดีเช่นมิจฉาชีพต่างๆเช่นการทำมาค้าขายที่เกี่ยวกับสุรายาเมาหรือเกี่ยวกับ สิ่งเสพติดทั้งหลายหรือเกี่ยวกับสารพิษทั้งหลายหรืออาวุธที่จะนำเอาไปใช้ในการทำร้ายชีวิตของผู้อื่นอาชีพเหล่านี้เราควรที่จะละเลิกอาชีพค้าขายของที่มีชีวิตก็เช่นเดียวกันค้าเป็ดค้าไก่ค้าหมูค้าวัวค้าควายอย่างนี้เป็นอาชีพที่ ไม่เหมาะเป็นอาชีพที่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราไม่ควรที่จะทำอาชีพเหล่านี้ถ้าเราไม่ทำเราก็อย่าไปริษทาถ้าเราทำก็พยายามเลิกให้ได้ถ้ายังเลิกไม่ได้ก็พยายามลดลงไปทีละเล็กทีละน้อย แล้วหาอาชีพอย่างอื่นมาเสริมมาทําแทนจนในที่สุดเราก็จะสามารถเลือกอาชีพที่ไม่ดีได้ส่วนกับการกระทําบาปก็ต้องละให้ได้ทีละข้อสองข้อละข้อหนึ่งให้ได้แล้วก็มาละข้อที่สองละข้อที่สาข้อที่4ี่ไปข้อที่หก็ควรที่จะละ คือการเสพสุรายามาหรือการเล่นการพนันการเที่ยวกับคืนเพราะการกระทําเหล่านี้ไม่ได้นํามาซึ่งความสุขและความเจริญมีแต่จะนํามาซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนใจถ้าเราละได้แล้วก็อย่ากลับไปทําอีกพยายาม ต่อสู้กับความอยากที่จะกลับไปทำบาปทำกรรมไปทำอาชีพที่ไม่เหมาะหรือไปยุ่งเกี่ยวกับอบายยนุกต่างๆนี่คือความภาคเพียรพยายามที่เราจะควรทำให้มากทำให้อยู่เรื่อยๆเพราะผลนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทำของเรา การกระทำของเราจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความภาคเพียรมีความพยายามไม่ท้อแท้ไม่ขี้เกียจทำไปมากน้อยเท่าไหร่ทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปอย่างที่ญาติโยมมาทำกันในวันนี้ก็ขอให้ทำต่อไปวันนี้มาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรม พอกลับไปบ้านก็ไปนั่งสมาธิกันด้วยวิธีต่างๆการทำสมาธินี้ทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับกำลังของเราไวาวหว้พระสวดมนต์ก็สามารถทำให้จิตสงบได้ฟังเทศฟังธรงธ ร, รมหรืออ่านหนังสือธรรมะก็ทำให้จิตสงบได้หรือจะนั่งหลับตา บริกรรมพุทโธพุทโธไปก็จะทำให้จิตสงบได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกข้อสาคัญเวลาทำสิ่งเหล่านี้ให้มีสติคอยดึงใจเอาไว้อย่าให้ใจลอยไปหาเรื่องอื่นอย่าสวดมนต์ไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการสวดมนต์อย่างเดียว ฟังเทศก็ให้อยู่การฟังเทศอย่างเดียวอ่านหนังสือธรรมะก็ให้อยู่กับการอ่านหนังสืออย่างเดียวบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธอย่างเดียวดูลมหายใจเข้าออกก็ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนี่คือการที่จะทำให้จิตสงบตัวลงได้ถ้าเราไม่มีสติดึงใจเอาไว ต่อให้นั่งไปนานสักเท่าไหร่จิตก็จะไม่สงบเพราะนั่งไปแล้วใจก็จะลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทำสมาธิไม่ได้เป็นการนั่งทำสมาธิการจะทำสมาธิได้ต้องมีสติเช่นบริกรรมพุทธโธนี้เราเรียกว่าพุทธานุสติคือการมีสติอยู่กับพุทธโธ ถ้าดูลมหายใจเข้าออกเราก็เรียกว่าอาณาปณะสติคือการมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าฟังเทศฟังธรรมก็เรียกว่าธรรมานุสติคือมีมีสติอยู่กับการฟังธรรมสตินี้สำคัญมากถ้าเรายังไม่มีสติเราจะไม่สามารถนั่งสมาธิให้สงบได้ ถ้าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาการสร้างสตินี้เราทำได้ทุกขนทุกแขงทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ต้องมาวัดอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ไหนเราก็สร้างสติได้เพราะการสร้างสติก็คือการดึงใจให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน อยู่กับร่างกายของเราเวลาเราเดินก็ให้มีสติอยู่กับการเดินเช่นเราก้าวเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาก็ให้มีสติอยู่กับการก้าวเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาทํางานก็ให้มีสติอยู่กับการทํางานเช่นเวลาล้างถ้วยล้างชามก็ให้มีสติอยู่กับการล้างถ้วยล้างชามอย่าไปคิดเรื่องอื่น ให้อยู่กับเนื่องนั้าชามอย่างเดียวทำกับข้าวก็ให้อยู่กับการทำกับข้าวเย็บปักถักร้อยก็ให้อยู่กับการเย็บปักถักร้อยซักเสื้อผ้าก็ให้อยู่การซักเสื้อผ้ากวาดบ้านถูบ้านก็ให้มีสติอยู่กับการกวาดบ้านถูบ้านให้ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับณรับรองได้ว่าเราจะมีสติ ดึงใจไว้ให้อยู่ใกล้ตัวเราให้อยู่กับงานที่เรากําหนดให้จิตทำํำพอเรานั่งหลับตากําหนดจิตให้บริกรรมพุทโธพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธพุทโธแล้วไม่นานมันก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบได้เ<อ><อ>ช่นเดียวกับการดูลมหายใจเข้าออกอทําอย่างนี้ไปไม่นานจิตก็จะรวมลง เวลาจิตรวมลงแล้วมันก็จะปล่อยวางร่างกายปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นลดจะไม่มีอาการรู้สึกลำคาญใจงุนหญิดใจกับรูปเสียงกลิ่นลดหรือกับความรู้สึกของร่างกายร่างกายจะเจ็บตรงนั้นจะปวดตรงนี้ก็จะไม่มารบกวนใจใจจะนิ่งสง บ, บนิ่งเฉยได้อย่างสบายเป็นอุเบกขา ถ้าใจมีสมาธิแล้วต่อไปใจจะตรงจะวางได้จะทำใจได้เวลาโกรธก็สามารถระ ง, งับความโกรธได้เวลาโลภ ก, ก็สามารถระ ง, งับความโลภได้เวลาฟุ้งซ่านก็สามารถระ ง, งับความฟุ้งซ่านได้เพราะสมาธินี้เป็นกำลังของใจนั่นเอง เป็นกำลังหยุดเป็นเหมือนเบรกของรถยนต์ถ้าเราไม่มีเบรกรถยนต์ก็จะต้องวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปชนหรือไปตกเขาถึงจะหยุดได้ใจของเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้มีสติดูใจอยู่รู้ใจอยู่รู้ว่าใจกำลังมีความรู้สึกอย่างไร แต่เราจะไม่มีกำลังหยุดความรู้สึกนั้นได้เวลาโกรธก็จะไม่สามารถหยุดความโกรธได้เวลาโลภ ก, ก็ไม่สามารถหยุดความโลภได้เวลาเศร้าโศกเสียใจก็จะไม่สามารถดับความเศร้าโศกเสียใจได้แต่ถ้าเรามีสมาธิเรานั่งสมาธิอยู่อย่างสม่าเสมอใจของเราเป็นอุเบกขาอยู่ ตลอดเวลาเวลาเกิดความโลภ ก, ก็จะดับได้ทันทีเวลาเกิดความโกรธก็จะดับได้ทันทีแต่เป็นการดับไม่ถาวรเดี๋ยวก็กลับมาโกรธขึ้นมาใหม่ได้หรือก็จะกลับขึ้นมาโลภได้อีกเพราะกำลังของสมาธินี้ไม่สามารถตัดความโลภความโกรธได้อย่างถาวรเป็นเหมือน เห็นทับหญ้าสมาธินี้เป็นเหมือนหินเอาเห็นไปทับเอาหญ้าไว้เวลาเอาเห็นทับหญ้าหญ้าก็จะงอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอเอาหินออกจากหญ้าเดี๋ยวหญ้า ก, ก็จะงอกขึ้นมาได้ถ้าอยากจะไม่ให้หญ้านี้งอกขึ้นมาเลยก็ต้องถอนรากถอนโคนความโลภความโกรธก็เช่นเดียวกัน อยากจะให้ความโลภความโกรธนี้หมดไปอย่างถาวรไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจก็ต้องถอนรากถอนโคนของความโลภของความโกรธด้วยปัญญารากของความโลภความโกรธก็คือความหลงนี่เองความหลงที่เรียกว่าความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นโกงจักเป็นดอกบัวหรือความไม่เห็นความไม่เที่ยง ความไม่เห็นความทุกข์ความไม่มีตัวตนในสปปรรพสิ่งทั้งหลายเช่นรูปเสียงเกล็ดรถต่างๆนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็นจะเห็นว่ามีตัวมีตนจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถาวร อ, อยู่ไปได้ตลอดเช่นพวกเรามังจะเห็นร่างกายของเรา เรื่องร่างกายของคนอื่นว่าถาวรเป็นเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นจะอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะขับสอนของพ่อพระพุทธเจ้าเราจะไม่คิดถึงความไม่เที่ยงเราจะไม่คิดถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเลยว่าร่างกายนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปนี่คือความหลง ถ้าเราไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเราก็ยังมีความหลงอยู่เมื่อเรามีความหลงเราก็จะมีความโลภอยากที่จะอยู่ไปนานๆพอเราไม่สามารถทำตามความโลภตามความอยากได้พอเราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีนี่เป็นเพราะว่าเราไม่มีปัญญา เราต้องใช้ปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเรามีการพัดพรากจากสิ่งต่างๆไปเป็นธรรมดาถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็จะไม่หลงที่จะโลภอยากได้สิ่งต่างๆหรือโลภอยากจะอยู่ไปนานๆเราจะอยู่ไปตามความจริงร่างกายอยู่ได้ก็อยู่ไป ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยเขาเจ็บไปร่างกายจะตายก็ปล่อยเขาตายไปร่างกายของคนอื่นก็เช่นเดียวกันข้าวของเงินทองต่างๆก็เช่นเดียวกันเขาจะอยู่กับเราก็อยู่ไปเขาจะจากเราไปก็ให้เขาไปเราจะไม่ยึดติดเราจะปล่อยวางเพราะเรามีปัญญาเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ ต้องมีการหมดไปมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับเป็นธรรมดาเป็นความทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากจะได้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงของอดถ้าไม่อยู่กับเราตลอดไปของอันนั้นย่อมไม่ได้เป็นของเราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ที่จะอยู่กับเราไปตลอดดังนั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของเรา เราจึงต้องปล่อยวางอย่าไปยึดครองว่าเป็นของเราเพราะจะทําให้เราเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมานี่คือการถอนความโลภความโกรธได้อย่างถาวรถอนความทุกขได้อย่างถาวอเพราะเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะไม่โลภจะไม่อยากได้อะไรการไม่โลภไม่อยากได้อะไรนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความสุข เราจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางความสุขที่เกิดจากใจที่สงบไม่ยึดไม่ติดไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายจากับสิ่งต่างๆเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากความโลภเช่นเวลาเราได้เงินได้ข้าวได้ของมาเราก็มีความสุขดีอกดีใจแต่มันเป็นเหมือนควันไฟมันเพียง สุขเดียวเดียวเท่านั้นเองแล้วมันก็หายไปต่อจากนั้นมันก็จะมีความโลภเกิดขึ้นมาใหม่แล้วถ้าไม่ได้ความโลภ ก, ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาจะเกิดความโกรธขึ้นมาดังนั้นเราไม่ต้องไปมีความโลภจะดีกว่าเอาความสุขที่เกิดจากความไม่โลภนี้ดีกว่าเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านมีกัน ท่านมีความสุขแบบนี้มีความสุขที่เกิดจากการไม่โลภไม่โกรธไม่หลงส่วนพวกเรานี้มีความสุขที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงแล้วก็มีความทุกข์แถนมาด้วยทุกข์ที่เกิดจากความเศร้าโศกเสียใจเวลาสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราได้มาแต่ความสุขของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่ว่าท่านจะสูญเสียอะไร ท่านจะไม่มีความทุกข์เพราะใจท่านไม่ได้ยึดไม่ได้ติดไม่ได้อยากกับสิ่งต่างๆนั่นเองนี่คือหน้าที่ของพวกเราความเพียรของพวกเราอยู่ที่ตรงนี้การสร้างความเพียรเพื่อทำความดีละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อให้เราได้พบกับความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้บุดพ้นกันขอให้เราทำกันไปเถิดแล้วเราจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแข้วแกรางปลอดภัยจากทุกภั ย, ภยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ